Mm hmm การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีวิธีการหลักๆนะก็คือการปฏิบัตินะในรูปแบบนะที่เราเรียกว่าการสร้างจังหวะนะการเดินจงกรมอันนี้คือวิธีการหลักนะสำหรับการปฏิบัติของพวกเราที่นี่นะส่วนที่เป็นรองนะ ก็คือการปฏิบัติที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบเป็นการปฏิบัติที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจาวันก็นี้รูปแบบหลักนะของการปฏิบัตินะอย่างที่บอกก็คือการสร้างจังหวะการเดินจงกรมอันนี้เนี่ยนะมันเป็นวิธีที่ช่วยทำให้การปฏิบัติของเรานะ เจริญก้าวหน้าได้เร็วขึ้นโดยพอสสำหรับผู้ใหม่ถ้าไม่ใช้รูปแบบนะก็อาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติแต่ถ้าจะยึดติดแต่การปฏิบัติในรูปแบบพอไม่ได้เดินจงกรมพอไม่ได้สร้างจังหวะก็ราทิ้งการปฏิบัติไปเลยราทิ้งการดูกายดูใจ ตอนนั้นมันก็ไม่ถูกนะวนนี้ในการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันก็คือการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมวันวันหนึ่งเนี่ยนะเรายกมือไม่รู้กี่ครั้งอาไม่ใช่ร้อยเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นนะยกมือแต่ละวันแต่ละวันเดินเราเก้าวเดินกลับไปกลับมา บนลานจงกรมบางทีก็เดินอยู่บนลานเดียวนั่นแหละไม่ได้ย้ายที่สาหรับผู้ใหม่หลายคนก็จะรู้สึกว่ามันช่างซ้ำซากเหลือเกินอาจจะมีคำถามสงสัยว่าทำไมต้องยกมือซ้ำไปซ้ำมากลับไปกลับมาทำไมต้องนะเดินจงกรมนะ ซ้ำไปซ้ำมากลับไปกลับมาหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะนึกว่ามองไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติแบบนี้ก็อยากจะให้มองนะว่าที่เรายกมือกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยแน่นอนมันซ้ำนะซ้ำไปซ้ำมา แต่มันก็ดีกว่าการบกมุ่นคุ้นคิดในเรื่องเดียวซ้ำซากมันดีกว่าเยอะเลยนะนการที่เรานะสังเกตไหมว่าความทุกข์ของเราบ่อยครั้งก็เกิดจากการที่คิดซ้าคิดซากในเรื่องเดียวของหายไปแล้วเงินก็ถูกโกงไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้ว ก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นซ้ำซากอยู่นั่นแหละถูกคนตำหนิติชินนินทาหรือว่าอาจจะถึงกับถูกด่าว่าต่อหน้าบ้างนะทางไลน์บ้างทางเฟซบุ๊กบ้างผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังอดคิดเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ บางทีเราทำผิดทำพลาดทำเผลอไปเสียใจไม่น่าเลยผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังคิดแล้วคิดอีกซ้ำไปซ้ำมาแต่เรื่องนั่นแหละวนไปเวียนมาคิดไปนึกไปแต่ละครั้งก็เจ็บปวดเสียใจบางทีก็หนักใจทำไมในเมื่อคิดแต่ละทีคิดแต่ละครั้งก็เป็นทุกข์ ร้อนรุ่มนะแต่เราก็ยังคิดซ้ำคิดซากอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมเราต้องมานะคิดซ้ำซากอย่างนั้นแต่พอเวลาเรามาปฏิบัตินะยกมือไ ป, ย ก, อไปยกมือม า, มอมาเดินจงกรม ก, กลับไปกลับมานะกลับตั้งคำถามว่าทำไมทำซ้ำไปซ้ํมาอย่านั้นที่จริงที่เราทำซ้ำไปซ้ามาเนี่ยนะมันก็ จะมีอนิสงส์นะมันช่วยทําให้เราเนี่ยเลิกคิดซ้ํำซากนในเรื่องที่ทําให้ทุกข์มันจะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะไอ้ที่เรายกมือไปยกมือมาเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ทุกข์อะไรเลยอันเทียมไม่ได้กับความทุกข์ที่เกิดจากการคิดซ้ำซากนะเรื่องเดียวกันนะั่นแหละก็คิดซ้ําไปซ้ํามาไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านเลยไปสักที ไอเนี่ยนี้เป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากกว่าและน่าจะถามตัวเราเองมา ก, กว่าคิดไปทําไมนะคิดซ้ําคิดซากอย่างนั้นแหละเวลามีคนใกล้ตัวพูดซ้ําไปซ้ํามาในเรื่องเดียวกันนี่เราลาคาญใช่ไหมเราลาคาญฉันชอบพูดซ้ําไปซ้ํามาอาจจะเป็นสามีเป็นภรรยาอา จ, จะเป็นเพื่อนแต่เรากลับไม่เคยถามตัวเองว่าเราอ่ะทําไม ชอบคิดซ้ำซากอยู่นั่นแหละเรื่องเดียวกันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีคิดไปซ้ำไปซ้ำมาอางนั่นแหละคนอื่นเนี่ยเขาพูดซ้ำซากยังไงเนี่ยนั้นมันไม่ได้สร้างปัญหาหเรามากเท่ากับไอาการที่ใจแล้วนั่นแหละคิดซ้ำซากวนไปพูดมาแต่เรื่องเดียวกันตรงนี้เป็นปัญหามากกว่าแต่คนแม่ก็ไม่ค่อยตั้งคำถามกลับไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าพูดซ้ำซากวนไปเวียนมาแต่เรื่องเดียวกัน แต่ที่ตัวเองคิดแบบนั้นบ้างนะทำแบบนั้นบ้างอยู่ในใจอยู่ในหัวกับไม่เคยสงสัยไม่เคยตั้งคําถามหรืออาจจะไม่เคยรู้ด้วซ้ำว่าเราทําอย่างนั้นแทนที่จะไปเรียกร้องแทนที่จะไปะกรดเกงให้เขาเลิกพูดซ้ํซ า, ากเนี่ยเรามาจัดการนะเรามาดูแลรักษาใจของเราเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่คิดซ้ํำซากพวกไปเวียนมา ในเรื่องที่มันทําให้เป็นทุกข์ทำให้เจ็บปวดดีกว่าแต่ของแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่อยากแล้วมันจะทําได้นะหลายคนก็บอกว่าโอ้น่อยากจะคิดซ้ํำซากเหลือเกินคิดจนหัวจะแตกอยู่แล้วแต่เรื่องเดียวกันนี่แหละความเจ็บปวดความเสียใจความโกรธแค้นความผิดหวังบางคนก็รู้นะว่ามันคิดซ้ําอยู่แต่เรื่องเดียวกันนั่นแหละจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะเลิกอยากจะหยุดแต่มันหยุดไม่ได้ เพราะอะนะก็เพราะว่าไม่มีสติที่รวดเร็วที่ฉับไวเพียงพอสติมันทําให้รู้ทันความคิดมารู้ทำให้รู้ว่าเผลอคิดไปและที่เราคิดวกไปวนมาซ้ําไปสมาเพราะมันเผลอไม่รู้ตัวพูดง่ายคือไม่มีสติเนะี่ยบางทีเรียกว่าเผลอสตนะิคือพอสติอ่อนไม่มีสติเมื่อใดเนี่ยมันก็ไปเลยนะกลับไปทําในสิ่งที่ซ้ํา ซ้าเดิมนั่นแหละคิดแต่เรื่องเดิมอยู่นั่นแหละหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดิมนั่นแหละฉะนั้นเพียงแค่ความอยากไม่พอนะ่นมันต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยด้วยและการสร้างเหตุสร้างปัจจัยคือการฝึกสติให้รวดเร็วให้ฉับไวและการที่เราจะฝึกสติให้รวดเร็วฉับไวเนี่ยก็วิธีที่มันรัดวิธีที่เร็วนะก็คือการที่เรามาปฏิบัติ ในรูปแบบอย่างที่พูดนี่แหละมันซ้ำจริงนะมันซ้ำยกมือไปยกมือมาวันละหมื่นเที่ยวนะเดินจงกรมกลับไปกลับมานะวันละนับหมื่นเที่ยวแต่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะห่างไกลาจากนิสัยนะที่คิดซ้ำซากซ้ําไปซ้ํามาแต่เรื่องเดียวกันเราเลือกแอ้วนะว่า เราจะคิดซ้ําเราจะคิดไม่อยากจะปฏิบัตินะแต่ว่าก็จะต้องลงเอ่ยด้วยการคิดซ้ําไปซ้ํามาอยู่นั่นแหละแล้วก็ทุกไปจนอาจจะจนแก่จนชราจนตายก็ได้หรือว่าเราจะมามาปฏิบัติยกมือกลับไปกลับมาเดินจงกรมกลับไปกลับมาซ้ําไปซ้ํามาแบบเนี้ยแล้วมันทําให้เราเนี่ยนะ เรื่องนิสัยคิดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่การเลือกของเรานะว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเราซื่อว่ า, าการคิดซ้ำไปซ้ำมาวกคนวกไปเวียนมาแต่เรื่องเดียวกันเนี่ยมันทุกข์มันทรมานเราก็ต้องยอมเหนื่อยนะยอมที่จะมายกมือเดินจงกรมนะซ้ำหลายๆเที่ยว แล้วถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยมันก็จะไม่ได้ทรมานอะไรมากใหม่ๆอาจจะเมื่อยหน่อยนะนะโดวยว่าผู้ใหม่เนี่ยยกมือสร้างจังหวะนะอาจจะวันแรกสองวันแรกจะปวดหลังปวดต้นคอเนี่ยนะเมื่อยมื อ, มอแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอผ่านไปวันที่สามวันที่สี่ก็จะดีขึ้นนะและมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องยากไอ้สิ่งที่ยากเนี่ยไม่ใช่ ความปวดความเมื่อยทางกายนะแต่เป็นเป็นความความเบื่อนะในใจนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยค่อยช่วยไม่ค่อยอยากจะทําอะไรซ้ำซากเท่าไหร่จิตใจมันก็อยากจะเสพรับอารมณ์ใหม่ๆอารมณ์ในที่นี้หมาถึงรูปลดกลิ่นเสียงนะเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานเนี่ยมันจะได้รับอารมณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ มีภาพเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเช่นคนเดินไปเดินมานะมีข้อความใหม่ๆส่งมาทางโทรศัพท์มือถือนะมีข่าวใหม่ๆที่กระตุ้นความสนใจทางเฟซบุ๊กหรือว่ามีเรื่องใหม่ๆที่เข้าหูเราเวลามีเพื่อนร่วม ง, งานมาสนทนานะสนทนาแล้วก็ติดลมเพราะมันน่าสนใจบางและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องคนอื่นนะั่นแหละ นะวิจาณการเมืองดินทาคนอื่นเนี่ยมันจะชวนให้เพลินในการสนทนามากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ใหม่ๆที่มันเข้ามากระตุ้นให้ใจเนี่ยมันไม่เบื่อมันมีเสียงกระตุ้นเราจิตใจไม่เบื่อไม่ง่วงนะแต่พอมาไปปฏิบัติที่นี่เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้แหละเพราะว่าอยู่ที่เดิม อยู่บนลานจงกรมเดิมนะแล้วก็อิเรียบทก็เดิมเดิมนั่งสร้างจังหวะนะกับเดินจงกรมธรรมชาติของใจมันชอบอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะคนสมัยนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาเดี๋ยวนี้แค่ดูหนังถ้าถ่ายถ่ายมุมเดิมแช่ไว้สักห้าวินาทีหรือสิบวินาทีก็รู้สึกว่า มันน่าเบื่อแนละนะ้สังเกตภาพหนังโฆษณานี่หรือโทรทัศน์เนี่ยแม้แต่ละครนี่เขาจะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนภาพให้มันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะสองวินาทีก็ถือว่านานแล้วนะแล้วเราก็อยู่กับสิ่งว่ารอแบบนี้แนหะจนกระทั่งเราเราติดนะติดสิ่งใหม่ๆรูปใหม่ๆ ชอบอะไรที่มันใหม่ตลอดเวลาทัองอาหารก็ต้องไปกินร้านอาหารใหม่ๆสัมผัสรสชาติใหม่ๆอยู่เสมอทําให้เรากลายเป็นพวกเสพติดของใหม่อารมณ์ใหม่ๆพอมาอยู่ที่นี่นะก็เลยรู้สึกอึดอัดนะแต่ว่าถ้าอยู่ไปอยู่ไปนะพอไม่กี่วันหรอกนะจิตก็จะเคยชินแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันสบายมันสงบจิตไม่เหนื่อย จิตไม่เหนือเพราะว่ามันไม่ถูกกระตุ้นเราด้วยอารมณ์หรือผัสสะใหม่ๆตลอดเวลาถาอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นใหม่ๆเนี่ยมันทำให้ใจเหนื่อยนะทำให้ใจเหนื่อยถึงแม้มันจะตื่นตัวนะรู้สึกไม่เบื่อนะแต่ว่ามันเหนื่อยแต่พอมาอยู่ที่นี่นะบรรยากาศสงบไม่มีสิ่งเร้ามากนะ วันๆหนึ่งก็อยู่ในอเรื่อยบทหลักๆไม่กี่เรื่อยบทนะพูดคุยก็ไม่เคยได้พูดคุยข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้เสดไม่ได้รับนะสิ่งเราน่อยๆสิ่งเรามันน้อยลงนะใจก็จะเริ่มสงบและถึงตอนนั้นเราก็จะสุดชอบขึ้นมาเออมันมีความสุขนะแต่ว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะเอาความสุขแบบนี้เท่านั้นนะเรามาเพื่อเรา เพื่อมาฝึกการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยนะมันก็ก็คือการฝึกให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ที่หอไตรนะใจก็อยู่ที่หอไตรขณะเดียวกันเวลากายเนี่ยกำลังยกมือถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันก็จะรู้สึก นะมันก็จะรับรู้ว่าเออร่างกายกําลังยกมือนะเกิดความรู้สึกขึ้นมานะคำว่ารู้สึกเนี่ยหมายความว่ารู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการยกมือไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจก็จะรับรู้อาการของกายเราเรียกว่ารู้สึกนะรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวยกมือกําลังเดิน ครูบาาจารย์เวลาท่านบอกรู้สึกให้รู้สึกเนี่ยหมายว่าให้รู้สึกตัวเมื่อใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือรู้สึกตัวเนี่ยก็จะรับรู้หรือรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวท่านยังบอกว่าเนี่ยให้เวลาปฏิบัติก็ให้รู้กายเคลื่อนไหวนะให้รู้กายเคลื่อนไหวหรือว่ารู้กายว่ากําลังทําอะไรอยู่กรนีเนี่ยคนเราเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มักจะเคลื่อนไหวเวลามีกิจ หรือเวลาทํากิจน ะ, ะกิจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทํามหากิจหรืออาชีพการงานอย่างเดิมนะ่ะมันหมายถึงว่ากิจต่างๆด้วยเช่นอาบน้ําล้างหน้าถูฟันนี่ก็เรียกว่าทำกิจนะอย่างเรียกไปทํากิจส่วนตัวเนี่ยนะล้างหน้าถูฟันนะทําครัวเก็บที่นอนเดินคูเหยียดเคลื่อนไหวนะกินดื่มลิ้ม พวนี้เรียกว่าทำกิจนะเรียกรู้ว่าทำกิจเวลาเราทํากิจแล้วก็ตามเนี่ยนะเราก็ใช้กายทํากิจมันก็มีการเคลื่อนไหวเมื่อใดก็ตามที่เรารู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะอย่างสม่ําเส ม, มออย่างต่อเ น, นื่องเนี่ยมันก็เป็นการฝึกสตินะเป็นการฝึกสติฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานการเจริญสติเนี่ย เริ่มต้นในการรู้กายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจต่างๆนะนนี้รู้กายเคลื่อนไหวมั น, นยังไม่พอนะต่อไปก็ต้องรู้ใจคิดนึกด้วยคิดนึกในที่นี้ก็หลบหนึ่งอาหลบหนึ่นะเช่นดีใจเสียใจนะโกรธโมโหเศร้า วิตกกังวลหนักอกหนักใจดีใจลิงโลดนะจะเป็นอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบเนี่ยก็ต้องฝึกให้ใจฝึกให้รู้ทันนะเวลาใจมันมีอาการเหล่านี้เราเรียกสั้นๆว่ารู้ใจคิดนึกนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีความคิดนึกขึ้นมาก่อนนะอารมณ์ถึงจะตามมาเช่นนึกถึงของที่หายก็จะเกิดความเสียดาย เกิดความโมโหตัวเองว่าทําไมเราเราประมาทเราเผลอเลยอยงั้นนึกถึงคนที่เขาว่าเราก็เกิดความโกรธนะนึกถึงความผิดพลาดมันก็ทําให้เสียใจทําให้รู้สึกผิดนะส่วนใหญ่เนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดนึกก่อนอนะันี้ถ้าเกิดเราปล่อยให้ใ ห, ให้คิดเรื่อยเปื่อยไปมันก็จะทําทให้เกิดอารมณ์ต่างๆเข้ามากุ้มรุมทําร้ายจิตใจเรา อันนี้แน่นอนเกิดความทุกข์ถ้าเรารู้ทันนะคือรู้ใจคิดนึกหรือว่ารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะทําให้ความคิดเนี่ยมันมันหยุดนะไม่ใช่ว่าสะดุดนะมันเหมือนกับว่าพอเผลอคิดไปแล้วก็รู้ตัวความคิดนั่นก็หลุดก็ล่วงออกไปจากใจนะจะเรียกว่าหยุดคิดก็ได้นะ หรือจะเรียกแบบว่าความคิดมันสดุดก็ได้คือมันคิดไม่ทันจบเรื่องมันก็หายไปซะละอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะพอรู้ทันเนี่ยมันก็มันก็เลือนหายไปผู้ใหญ่เนี่ยคือว่าจิตมันไม่ปรุงแต่งต่อเนาะมันไม่ปรุงแต่งต่อเพราะว่ามันรู้ตัวแล้วไอ้ที่ปรุงแต่งเพราะเผลอไปนะเผลอไป ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไอความคิดนึกและอารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะไม่ได้เกิดขึ้นเยโดยอัตโนมัติมันเกิดเมื่อเกิดเมื่อมีผัสสะขึ้นมาไงผัสสะในที่นี่คือว่าเช่นตากระทบรูปหูได้ยินเสียงนะหรือว่าลิ้นนะได้รับรสหรือว่ามันมีอะไรมาสัมผัสกายรวมทั้งมีนะ ทำามาลมเกิดขึ้นด้วยทำามาลมเนี่ยคือความคิดอารมณ์นั่นแหละคนเราเนี่ยความคิดนึกเกิดขึ้นเนี่ยนะ ม, นมันมักจะเกิดเมื่อมีผัสสะนะเช่นตาไปเห็นอของกินที่อร่อยนะมันก็เกิดความอยากนะเกิดความยินดีที่จะที่เห็นและขณะเดียวกันก็เกิดความ เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเห็นแล้วอยากได้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะกินหรือเสพมันได้คนเราเนี่ยนะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมานะตาเห็นลูกเล้นเสียงเนี่ยมันถึงจะปรุงแต่งเป็นความคิดได้ยินเสียงดังนะเสียงมอเตอร์ไซค์นะหรือเสียงโทรศัพท์ที่ดังอยู่นะในศาลานเนี่ย ก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าทําไมไม่ปิดเสียงโทรศัพท์หรือทําไมมอเตอร์ไซค์ไม่ดับเครื่องก่อนนะเนี่ยมันมีความคิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดความไม่พอใจไว้ทําไมเสียงยังดังต่อนี่เกิดโทรศัขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าการเจริญสติเนี่ยนะรู้ใจคิดนึกเนี่ยนะก็ขยายความต่อไปว่ารู้ใจคิดเมื่อเกิดผัสสะนะรู้ใจคิดเมื่อเกิดผัสสะ ที่เกงการคิดนึ่งมันก็เป็นผัสสะแบบหนึ่งนะเราเรียกว่ามันเป็นผัสสะทางใจก็คือเมื่อมีความคิดละใจไปรับรู้หรือเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นและใจไปรับรู้แล้วก็เรียกว่าผัสสะเหมือนกันนะเวลาตอนนั่งนานๆเนี่ยนะแล้วก็ขาเราแข้งเราเนี่ยนะมันก็ไปไปทับกับพื้ น, นถ้าไม่มีเสื่อนะไม่มีเบารองรับเนี่ย ก็เกิดความปวดความเจ็บขึ้นมาหรือความเมื่อยตรงนี้เรียกว่าเกิดผัดสสะขึ้นมาแล้วนะแล้วเกิดความทุกเรียกว่าทุกขเวทนาปกติเนี่ยมันไม่ใจไม่ปล่อยให้มีทุกขเวทนาเฉยๆจะคิดต่อไปเลยนะว่าทําไมพูดนานแบบนี้นะน่าจะจบได้แล้วนะจะได้ลุกนะจะได้ปีเริยาบทนะจะได้เดินเนี่ยมันจะมีความคิดเกิดขึ้น แล้วก็มีความไม่พอใจนเกิดขึ้นเมื่อเกิดทุกขเวทนาแทุกขเวทนานี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผัสสะนะไม่ว่าจะผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจแล้วชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยรวมแล้วแล้วนะรวมไปแล้วเนี่ยนะว่าไปแล้วเนี่ย มันก็ทำแค่สองอย่างเท่านั้นแหละคือทํากิจกับเมื่อเกิดผัสสะทั้งวันเนี่ยเราถ้ากายเราไม่ทํากิจนะจิตเราก็จะปรุงแต่งเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นยีบสีชั่วโมงนะของเราเนี่ยมันก็บนเวียนอยู่กับเรื่องการทํากิจ ด, ด้วยกายหรือว่ามีความคิดนึกอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ว่าเรา นะฝึกให้รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเราดูแลกายดูแลใจเนี่ยตลอดทั้งวันได้เลยนะและการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินไปจากนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลกายดูแลใจนะก็คือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะ รู้ใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะการเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยที่เร า, าสาธยายกันว่าประกอบไปด้วยนะกายนุปัสสนานะเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรมานุปัสสนาคือพิจารณากายนะพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตสองอันสามอันเนี้ยนะรวมแล้วเนี่ยมันก็มันก็หนีไม่พ้นเรื่องรู้กายเคลื่อนไหว เมื่อทํากิจแล้วก็รู้ใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะนะเพราะว่าไอกายอนปัสนาเนี่ยนะส่วนนี้ก็คือการที่เราทําความสึกตัวเมื่อมีอิเลียบทต่างๆส่วนรู้เวทนาเนี่ยเวทนามาเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผัสสะจิตตามอนุปัสนาคือรู้จิตเนี่ยนะว่ามีราคาโทสะโมหะไหมมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราย่ อ, อ ก, การปฏิบัติให้เหลือแค่สองเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยมันก็ครอบคุมนะหลักการปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐานในสาระสำคัญได้ส่วนธรรมนุ ป, ปััฏนาคือรู้ธรรมเนี่ยนะมันเป็นผลสรุปรวบยอดจากการที่เราดูกายดูเวทนาดูจิตนะอย่างถูกต้องเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเมื่อเห็นเนี่ยนะ เห็นอะไรเห็นของจริงเห็นของจริงกลยเห็นกายเห็นใจเมื่อเห็นกายเห็นใจเห็นเวทนาบ่อยๆเนี่ยมันจะแสดงธรรมให้เราเห็นจากเห็นของจริงก็จะกลายเป็นเห็นความจริงนะเห็นความจริงก็คือเห็นอ่าก็คือธรรมานุปัสสนานั่นแหละคือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นความจริงเห็นจัตเจตธรรมซึ่งเป็นผลสรุปจากการที่เราเห็นของจริงคือเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิต ไม่ต้องเห็นภายนอกนะในสิ่งนอกตัวต้นไม้ภูเขาผู้คนเนี่อันนั้นเป็นเรื่องรองนะแม้แต่สีแสงเนี่ยเห็นไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดการเห็นทำได้จะเห็นทำได้เนี่ยมันต้องเห็นของจริงแล้วของจริงที่ว่านี่คือกายกับใจเวทนานี่ยก็สืบเนื่องกับกายและใจและเห็นของจริงเนี่ยก็สสกง่ายๆเนยอย่างที่พูดคือรู้กายเคลื่อนไหวนะรู้ใจคิดนึก รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจแนละเพราะนั่นเวลาทํากิจอะไรก็ตามเนี่ยนะเราทั้งวันเราทํากิจอยู่แล้วนะด้วยกายของเราแม้แต่การเข้าห้องน้ําก็เป็นการทํากิจนะการถ่ายหนักถ่ายเบาก็เป็นการทํากิจไอ้ช่วงนั้นเนี่ยนะเราก็รู้กายได้นะเช่นระหว่างที่เราทํากิจถ่ายหนักถ่ายเบาเราอาจจะตามลมหายใจไปด้วยขณะที่นั่งหมุนชักโครกนะหรือเราคลึงนิ้วไปคลึงนิ้วหรือว่าพลิกมือไปพลิกมื อ, ม, อมามันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว หรือแม้แต่เวลากระพริบตาเวลากลือ น, น้ําลายเนี่ยอันนี้ก็เราเป็นการทํากิจนะในความหมายกว้างๆนะก็ให้รู้นะให้รู้กายเมื่อทํากิจนะเมื่อเราทํากิจแต่แล้วก็ตามเนี่ยนะขับรถหรือแม้แต่นั่งเฉยๆเนี่ยนี่ก็เป็นการทํากิจก็อย่าลืมนะให้รู้กายไปด้วยนั่งเฉยๆก็ให้รู้ว่ากําลังนั่งหรือว่าถ้ากลัวว่าใจมันจะลอยก็พลิกมือไปพลิกมือมาครึ่งนิ้วนะ เป็นการเพิ่มการทำกิจนะเพื่อจะได้เห็นกายชัดขึ้นเห็นรูปชัดขึ้นเวลาเกิดภาษาขึ้นมานะเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยซึ่งเราก็เกิดภาษาตลอดวันอยู่แล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมใจมันคิดนึกอะไรก็ให้รู้ทันนะถ้าการปฏิบัติการจระเซติเนี่ยนะมันทําได้ทั้งวันนะไม่ว่าอยู่ที่ไหน นะอยู่ในวัดอยู่บนถนนหรืออยู่ในที่ทํางานแล้วก็ปฏิบัติได้เพราะว่าทั้งวันเนี่ยเราก็ทําอยู่สองอย่า ง, งนั่นแหละคือทํากิจด้วยกายแล้วก็มีผัสสะนะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจผัสสะเกิดขึ้นทีไรใจมันก็เพิ่มทุกครั้งนะก็เพิ่มขึ้นบ้างก็เพิ่มลงบ้างนะก็ให้รู้ทันนะ อันนี้อาจจะเราจะไม่เคยตระหนักมาก่อนเลยนะว่าเวลามันเกิดผัสสะนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยใจมันก็เพิ่มใจมันปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นอารมณ์มันสังเกตบ้างนะมันสังเกตความคิดมันดูความคิดมันดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะแม้ ว, ว่ารูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวนะเช่นตาเห็นรูปเนี่ยก็ให้มีสติเห็นใจที่ยินดียินร้าย ผู้ได้ยินเสียงอยาจะเป็นเสียงนกร้องเสียงร้องเพลงเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะไปเพลินอยู่กับเสียงข้างนอกไม่ว่าอยากจะให้เสียงนั้นมันดังไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะให้เสียงนั้นมันหยุดให้กลับมาดูใจด้วยว่าเออมันมีความยินดียินร้ายแค่ไหนนะคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเกิดภัสสะโดยเฉพาะภัสสะห้าห้าตอนแรกห้าห้าประเภทแรกคือภัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย จิตมันจะส่งออกนอกทันทีแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการปรุงแต่งไปด้วยให้เราเนี่ยไปจดจ่อสิ่งข้างนอกเราไม่กลับมาดูใจของเราเนี่ยอันนี้ก็อันตรายนะเพราะว่าไม่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจเมื่ออารมณ์ต่างๆเข้ามาเล่นงานจิตใจและที่อารมณ์เข้ามาเล่นงานในจิตใจเนะ่เพราะเราไม่เฝ้าดูไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมทำซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันมีความหมายนะมันมีมันมีคุณค่ามากมันจะฝึกให้เราเนี่ยได้รู้กายเคลื่อนไหวนะแล้วก็รู้ใจคิดนึกทำกิจอะไรก็ตามถ้าทำด้วยกายนะก็เราก็จะรู้นะการรู้จะทำให้เราไม่ ทำให้เราเนี่ยไม่ทําอะไรผิดพลาดนะเวลาเดินแล้วเดินด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยไอการที่จะเดินสะดุดทินสะดุดเปลือกผลไม้มันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้เพราะเรารู้กายนะเวลาเราจะเสียบเสียบปลักเราก็เสียบได้อย่างปลอดภัยนะเพราะเรารู้กายเรามีสติเวลาเราจะวางของนะ วางที่ไหนแล้วก็จําได้เพราะตอนที่วางเนี่ยเราวางยังมีสตินะคือรู้กายส่วนใหญ่เนี่ยพอวางแล้วเนี่ยจําไม่ได้วางที่ไหนนะเพราะาไม่ได้รู้กายนะและที่ไม่รู้กายเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นใจมันลอยใจมันลอยใจลอยแล้วก็ไม่รู้ใจด้วยไม่รู้ใจคิดนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวางของแล้วก็หาไม่เจอแล้วพอจะใช้ขึ้นมาจะเป็นกระเป๋าก็ดีจะเป็นกุญแจรถก็ดีนะ แค่เพียงแค่เราฝึกนะให้รู้กายเคลื่อนไหวนะเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนึกนะเมื่อเกิดภัสสะเนี่ยแค่นี้นี่ก็เรียกว่ามันพาชีวิตจิตใจของเรารอดนะนะรอดจา ก, กอุปสรรคเราจากความทุกข์ได้เลยไอ้โลกที่คิดซ้ํำซากวกไปเวียนมาเนี่ยที่มันสร้างความทุกข์กับเราจนกินไม่ได้นอนอไม่หลับนะจนเครียดจนปวดหัวจนปวดท้องนะ มันก็จะหายไปนะอันนี้เพราะว่าเราเนี่ยมีฉันท่าในการที่ทำอะไรนะยกมือไปยกมือมาเดินกลับไปกลับมานะอย่างเข้าใจนะแล้วทำให้เกิดอนิสงค์คือการเจริญสติเพราะนั้นอย่าท้อนะก็ให้มีความเพียรให้มีฉันท่าในการทำแล้วก็จะเกิดผลนะอย่างที่ว่ามาพอสมควรกับเวลาแล้วก็กลับามาป้องกัน